ไม่ว่าจะเป็นพัทธวุฒิพราหม์อุทยาพราหมณ์โปศาระพราห ม, ม์โมคคาราพรามผู้เป็นนักปราชญาพราหมณ์ผู้สแสวงหาคุณใหญ่ก็ได้ฟังวาจาของภาวรีพรามเนี่ยพวกนี้เป็นเป็นปราชญาเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นเลยแต่ละคนฉลาดมากนะสมัยนั้นนะ่ะถ้าเปรียบแบบสมัยนี้นี่มีความรู้กว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์สายสายสา ย, สายต้องเป็นสายอักษราศาสตร์นี่นะ มีความรู้ความสา ม, มารถสายอักษรศาสตร์เนี่ยถึงฝั่งเลยถึงฝั่งแห่งลักษณะวิชาสายอักษรศาสตร์หมดเลยพวกนี้เก่งถ้าเป็นเปรียบสมัยใหม่ก็คือพวกสายปรยัชญาสายจิตวิทยาสายอักษรศาสตร์พวกนี้เก่งมาก ถ, ถึงจุดสุดยอดของวิชานี่นะก็ถ้าถ้าเปรียบแบบสมัยนี้ก็ด็อกเตอร์ในตัวหลายแขนงด้วยกัน1อักษรศาสตร์เขาได้ละนะสองอ โหราศาสตร์นี่ถือว่าพ่วงทายนั่นแหะเาก็เป็นแล้วก็พวกอะไรอักษราศาสตร์โหราศาสตร์พวกอะไรนะแต่ว่าเก่งหลายอย่างความสามารถสูงมาก <c oughs> พรามทั้งหมดนั้น น, นะนะเฉพาะคนหนึ่งๆอะ่ะเป็นเจ้าหมูเจ้าคณะปรากฏแก่โลกทั้งปวงคือแต่ละคนเนี่ย มีบริวารประจำตัวเนี่ยพันคนน่ะเก่งมากนะจึงเอาคนพันคนเนี่ยอยู่ในอานาจต้ า, ต, าต้องมีบุญจริงๆและท่านเหล่านั้นเป็นผู้เจริญฌานบางคนนี่ได้รูปฌานด้วยในในในในสิทธิเหล่านั้นนะบางคนนี่ได้รูปฌานยินดีในฌานเป็นธีรชนผู้มีจิตอบรมมาด้วยวาสนาในการก่อนเป็นผู้มีบุญเก่าทั้งนั้นเลยคือพวกพรามเหล่านี้เนี่ย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 คือปรักหักพังก็งมีเศษอิฐเศษอะไรอยู่บ้างแต่ที่เหลือก็จะเป็นป่าไม้ป่าแบบป่าต้นไม้เล็กๆ เ, เ, เนี่ยนะมันก็ป่ารกป่าล้างอะไรสักอย่างอะไรแบบนั้นอันไปอินเดียตอนนี้ก็ไปดูอย่างนั้นนะไปดูป่ารกป่าร้างอันถ้าไม่มีความรู้ไปมันก็แค่ก็ได้กราบได้ไว่ายนะก็ยังดีอะ่ะ พันพวกพราหมณ์เหล่านี้ก็ไปไปถึงเมืองสาวัตถีทีนี้ก็ไปเมืองเสตปพระยาไปเมืองกบิลพัทแล้วก็เลยมาเมืองกุสินาราเมืองที่พระพุทธเจ้าปรินิพานเนี่ยนะจากเมืองกุสินาราก็ไปเมืองปาวาไปถึงโพคนครไปถึงเมภายสาลีเวสาลีภายาลีเนี่ยอันเดียวกันแล้วก็ไปจนถึงเมืองมคธคือคือเมืองราชครึกนีนะและไปที่ปาสาณเจดีอันเป็นรมณียสถานอันน่ารื่นรม จริงๆแล้ว่พระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นอตอนที่ฟังข่าวเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีจริงแต่พระองค์รู้ว่าพราหมณ์เหล่านั้นจะมาถามปัญหาถ้าอยู่รอตอบอินทรีย์เขายังไม่แก่กล้าฟังแล้วไม่บรรลุนั้นพระองค์ก็จาริกกับประจาริกเหมือนกับเดินหนีไปก่อนอเดินล่วงหน้าไปก่อนแั้วเขาก็จะติดตามมาเรื่อย ๆ, ๆเป็นการบ่มอินทรีย์ในตัวะะเป็นการบ่มจากขุนสีโสตินทรีย์ไปเรื่อยอ่ะ ท่า น, นพระองค์ก็จะมาจนถึงเนี่ยมาที่แคว้นมคธท่า น, นเขาก็ติดตามมาเรื่อยๆๆๆๆๆ เ, เ, เ, เ, เอยอยนี่ยนะก็จนกว่าอินทรีย์เขาจะแก่กล้าเนี่ย น, นะให้เขา้ามาตามทันที่ป่าสานากะเจดีพอดีเพรานช่วงนั้นอินทรียเขาจะแก่กล้าพวกพราหมณ์เหล่านั้นก็รีบขึ้นภูเขาคือป่าสารกะเจดีเนี่ย น, นะที่ที่มันเป็นพลานหินใหญ่อ่ะตรงนั้นเป็นพลานหินใหญ่มันจุคนได้มากอ่ะพราอบริเวณเนี่ยคนมาเป็นสํานวนไหมเนี่ยว่าเป็นล้านอะ่ะ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 ก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระภิกษุสงฆ์เนี่ยห้อมล้อมแล้วแสดงธรรมะแก่พระภิกษุทั้งหลายประหนึ่งว่าราชสีเนี่ยบรรลือศีหนาตอยู่ในป่าพระองค์ก็แสดงธรรมสงเคราะห์พระภิกษุอยู่อาชีตตพราหมณ์ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นดังดวงอาทิตย์มีรัศมีฉายออกไปและเหมือนดวงจันทร์เต็มดวงในวันเพ็ญเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าหเห็นดวงอาทิตย์เห็นพระจันทร์เลยนะ ยิ่งใหญ่จริงๆนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่มากเพราะไรเพราะว่าทั้งรูปร่างกายประกอบด้วยมหาปริศลักษณะ32ประการนนะก็ยังมีรัศมีแผ่ซ่านออกจากตัวนี่นะก็บ่งถึงว่าแค่เห็นนี่ก็รู้เลยว่าเป็นผู้มีบุญจริงๆลำดับนั้นอาชีตพรามก็ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งรื่นเริงใจเพราะได้เห็นอนุพยัญชนะที่บริบูรณ์ในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้า เห็นเรียบร้อยหมดก็ได้ทูลถามปัญหาด้วยใจนะถ้าแน่จริงอ่ะถามด้วยวาจาก็ต้องตอบด้วยใจสิเออถามด้วยใจก็ต้องตอบด้วยวาจาสิเหมือนกันเพราะงั้นก็เลยถามว่าอาชิตะก็ถามว่าท่านเจาะจงใครจงบอกโทษรพร้อมด้วยลักษณะบอกความสําเร็จในมนทั้งหลายพรามสอนมานบเท่าไหร่อันนี้คือคําถามเนี่ยเขาบอกว่าท่านเจาะจงใครหมายถึงตัวท่านอ่ะนะ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 ตอบได้หมดเลยนะท่านเจาะจงใครก็บอกเจาะจงพรามภาวรีนั่นแหละเขอบอกอายุก็คือ120ปีโดยโคตรก็ภาวรีโคตรมีลักษณะ3มอย่างอยู่ในตัวเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญถึงฝั่งแห่งไกลเพศประพื่อนนี้เขาบอกว่าแค่ไหนก็อบอกแค่กันอยู่ในลิ้นหมดนะอยู่ในปลายลิ้นหมดะนะพาวรีพราหมณ์นั้นถึงความสําเร็จในธรรมะของตนสอนมานบห้าร้อคน ปกติก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้มีสิทธิ์ที่ว่ายากสอนยากสิทดื้อสิทโง่เนี่ยประจำสำนักอยู่500อาจารย์ใหญ่ก็สอนสิทโง่น่ะนะแล้วก็พราวรีพรามณ์เนี่ยนะมีมหาปุริสลักษณะ3าอ่ประการแล้วก็ยังมีความแตกฉานในคำพีมหาปุริสลักษณะและคำพีอิติหาสะพร้อมทั้งคำพีนิคันโดษะ คำภีเกตัวพระาสตรเนี่ยนะมีความรู้ด้านสา ม, มารถเรื่องเอพฤกษชาติด้วยนะเรื่องเรื่องเรื่องต้นไม้เนี่ยเขาจะรู้แตกชานหมดต้นไม้ชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยเขาเาเรียกได้เลยหมดเลยแล้วก็คณิตศาสตร์ก็เก่งคำนวณเก่งมากเขาบอกมองเห็นต้นไม้รู้เลยว่าต้นนี้มีกี่ใบ น, นะความสา ม, มารถด้านคณิตศาสตร์เขาขนาดนั้นคุณโชคดีนับต้นไหนได้บ้างต้นสนเนี่ยนับได้ไหมไม่ได้ไครับเห็นต้นศนแล้วนับเลยต้นนี้มีกี่ใบ ย, ย่างไงนะ งันพรามเนี่ยเขามีความสามารถกันขนาดนั้นเออคณิตศาสตร์โหราศาสตร์พวกพฤกษศาสตร์เนี่ยนะพวกอักษรศาสตร์แล้วก็เรื่องการปกครองคํำนบธรำเนียมประเพณีเนี่ยนะประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้เขาจะเก่งมากเลยถึงฝั่งหมดนะนะข้าแต่พระองค์ผู้เ อ, อ่ออาชิตะมานพก็าถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดกว่านรชน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 แล้วก็มีอวัยวะที่ซ่อนอยู่ในผ้าอยู่ในฝักเหมือนช้างว่างั้นนะเหมือนช้างเหมือนม้าเออเหมือนช้างเนี่ยชัดเลดูก่อนมานพท่านจงรู้อย่างนี้นั่นนะทีนี้อชิตะมานพกกล่าวว่าชนทั้งปวงไม่ได้ฟังใครๆซึ่งเป็นผู้ถามได้ฟังปัญหาทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแก้แล้วเกิดความโสมนัติปนมอัญชลีย่อมคิดไปต่างๆว่านี่นะทุกคนดีใจกันหมดเลยนะ คล้ายๆก็ว่าเอ๊ะเงียบๆแล้วพระพุทธเจ้าก็ตอบมาเรื่อยตอบมาเรื่อยจริงๆอ่ะมีผู้ถามถามด้วยใจอยู่แล้วพแสงก็เลยกล่าวว่าใครนาะเป็นเทวดาเป็นพรมหรือเป็นพระอินท์ผู้สุชมบดีเมื่อเขาถามปัญหาด้วยใจแก้ปัญหานั้นกะใครได้โอ้โหเก่งจริงๆนะคนธรรมดาจริงๆแล้วเนี่ยแล้วถามปัญหาเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดอยากถามอะไรถ้าเป็นเรื่องที่ตอบง่ายๆนะเป็นเรื่องตอบยากมากเพราะพระพุทธเจ้ากเกิดมาสำนวนไม่เคยเห็นภาวรีพรามเลย นะแต่ว่าเนี่ยความที่พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอะไรไม่ติดขัดก็อยะว่าภาวรีพรามเลยนิพพานที่ละเอียดกว่านั้นพระองค์ยังรู้เลยนะจะกล่าวไปใหญ่ถึงเรื่องแค่ตัดยาแบบนี้มั้งกันอชิตะมานพบก็กล่าวต่อไปว่าภาวรีพรามเนี่ยย่อมถามถึงศีรษะและธรรมะอันให้ศีรษะตกไปก็ยังถามด้วยใจยอยู่ดีนะก็เขาพาวรีพรามนี่เขาอยากรู้ว่าศีรษะคืออะไร ธรรมะที่ทําให้ศีรษะตกไปเนี่ยทําได้ยังไงข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงสแสวงหาคุณอันใหญ่ขอพระองค์โปรดตัดพยากรข้อนั้นกําจัดเสียซึ่งความสงสัยของข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดอยากรู้เหลือเกินไอศีรษะอะไรคือศีรษะธรรมะที่ทําให้ศีรษะตกคืออะไรใยรู้แหมอยากจะละความสงสัยอันนี้เหลือเกิน พระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อว่าท่านจงรู้เถิดว่าอาวิชชาเป็นศีสะความไม่รู้อริยสัจเนี่ยนะความไม่รู้ทุกความไม่รู้ทุกขสมุทัยความไม่รู้ทุกขานิโรธความไม่รู้ทุกขานิโรธาคากษะม่มีปฏิปทานเนี่ยเป็นศีสะถามว่าสีสะอะไรศีสะวัตต์ไงสนะีสะของสังสารวัฏหัวหรือหัวจักนะถ้าเป็นขบวนรถไฟก็หัวจักใหญ่อะ่ะคืออวิชชาเนี่ยพลาไปชีวิตก็เป็นไปอย่างนี้ ันชีวิตในวัตะหรือความเป็นไปแห่งขันธาตุอายตนะมีอวิชาเนี่ยเป็นศีรษะวิชาประกอบไปด้วยศรัทธาสติสมาธิฉันทะและวิริยะเป็นธรรมะเครื่องยังศีรษะให้ตกคือถ้าจะละอวิชาถ้าจะฆ่าอวิชาอันนั้นต้องมีวิชาทีนี้วิชาเนี่ยนะที่จะตัดอวิชาได้จะต้องประกอบด้วยศรัทธาศรัทธาก็คือเนี่ยสัตทินรี นนะถ้าพูดถึงศรัทธาก็สัตทินสีศรัทธาะละเข้ามาแล้วแล้วต้องมีสติคือสติประธานสเนี่ยนะสติสติสัมโพชงสติพละสัตินรีสัมมาสติง้แแล้วก็มีสมาธิเนี่ยนะสมาธิก็คือสมาธิพละสมาธินสีนนะแล้วก็มีอะไรสัมมาสมาธิมีฉันทะก็คือฉันทะสมาธิประธานสังขารมีวิริยะคือสมมประธานอ น, นะ วิมังสิติบาทเนี่ยนะเออไม่ใช่เข้าไปวิริฏิบาทวิริยะพระวิรยิยีสัมมาวายามะเนี่ยนะผลสรุปว่าโพธิปัจจยธรรมอ่ะนะโพธิปัจจยธรรมนี่แหละเป็นเครื่องยังอวิชาให้ตกแต่จะเรียกย่อยๆก็คือมีวิชาที่สัมปยุตกับศรัทธาสติสมาธิฉันทาวิริยะเนี่ยเป็นตัวยังศีสะให้ตกน น, น, นก็ว่าง่ายๆก็คือมรรคแนั่นแหละเป็นเครื่องทําลายอาวิชาว่ากัน ลำดับนั้นอชิตะมานพผู้อันความโสมนัสเป็นอันมากอุดหนุนแล้วเนี่ยนะปลืม้มดีใจมากกระทำซึ่งหนังเสือเฉวียงบ่าข้างหนึ่งแล้วก็โซบเสียนลงแทบพายุโ ค, คลบาต น, น, นะตอนแรกม้าก็มาถามปัญหาด้วยใจเฉยๆยังไม่ได้กราบไม่ได้วายอะไรนะลองดูว่ารู้จริงหรือเปล่าก็เลยกราบทูลเนี่ยนะหลังจากกราบถวายบังคมเสร็จก็บอกข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกผู้มีพระจักสุ ภาวรีพรามณ์พร้อมด้วยพวกสิทธิ์มีจิตเบิกบานโสมนัสขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์เพราะว่าทั้งสทิทั้งหมดอ่ยของภาวรีพราม์เนี่ยนะขอนับถือขอกราบขอไหว้ถวายบังคมพระยุคลบาทคือกราบเท้าทั้งคู่นั่นเองพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเออพาวรีพราหม์พร้อมด้วยพวกสิทธิ์จงเป็นผู้มีสุข น, นะก็สุขิตาโหถะเนี่ยนะสุขิตาโหตุเนี่ย ขอให้ทุกคนมีความสุขกันนะว่างันดูก่อนมานพและแม้ท่านก็ขอให้มีความสุขมีชีวิตยืนอยู่นานเถิดเนี่ยนะสุขขีธีคายุโกภะวะว่างันน่นะขอให้มีความสุขมีอายุยืนนานเนี่ยนะอยู่ได้ยืนอันนี้ก็ถือว่าโดยทั่วๆไปท่านบอกว่าเป็นพุทธพจน์ที่กล่าวเป็นธรรมดาว่าจงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเนีๆๆ่ยนะ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 เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายปรารถนาปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้ในใจก็จงถามเถิดสงสัยอะไรก็ถามมาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานโอกาสแล้วอาชีตภาม์ก็นั่งประนมมือแล้วทูลถามปฐมปัญหากับพระตถาคตในบริษัทนั้นนะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าวัตถุกรทาเป็นคําเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าถึงปัญหาของอาชีตะมะนบทั้ง16เออ ปัญหาของมานบ16กท่านเนี่ยนะมีอชิตะมานบเป็นประธาน